จเจริญพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย <c oughs> ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบารมีเพราะท่านทราบดีอยู่ว่าบุญบารมีนี้ เป็นผู้ที่สร้างให้เราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้ฐานะของพวกเราที่มีความแตกต่างกันก็เพราะบุญบา ร, รมีที่ได้สะสมมาไม่ได้สะสมมาเท่าเทียมกันเราจึงมีฐานะแตกต่างกันไปฐานะคือทรัพย์สมบัติเงินทองมีมากน้อยต่างกัน รูปร่างหน้าตามีความสวยงามต่างกันสติปัญญาความรู้ความฉลาดมีมีความต่างกันความขยันหมั่นเพียรความเกียจคร้คานก็มีมากน้อยต่างกันเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเกิดมาจากบิดามารดาเพราะบิดามารดาไม่สามารถมอบสิ่งเหล่านี้ ให้กับเราได้สิ่งที่บิดามมรดามอบให้กับเราได้ก็คือร่างกายอาการสามสิบสองแต่จะสวยจะงามจะน่าเกียดน่ากลัวก็ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญบุญบารมีในอดีตชาติถ้าได้บำเพ็ญบุญบารมีมา ก็จะได้สิ่งที่ดีถ้าไม่ได้บาเพ็ญมาก็จะไม่ได้สิ่งที่ดีเช่นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณทองใสมีกาลังเงินกำลังทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการบาเพ็ญทานบารมีคือการให้การให้นี่หมายถึงให้ในสิ่งที่เรามีอยู่ เรามีเหลือกินเหลือใช้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอามาให้กับผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขไม่จำเป็นจะต้องสมมุติว่าถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองก็ไม่ต้องไปจไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาบาเพ็ญทานบรารมี นี่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการทาทานบารมีทานบารมีคือให้เราเป็นคนใจกว้างไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติข้าวของเงินทองมีอะไรที่เหลือกินเหลือใช้ก็ให้ไปเอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำทำบารมีอย่างอื่น เพราะบารมีมีอยู่ถึงสิทธิประการด้วยกันทานบารมีนี้เป็นการสกัดกั้นความโลภถ้าเราไม่มีเงินทองแล้วเราอยากจะทำทานเราก็ต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาทำทานอย่างนี้ก็เกิดความโลภขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะเราต้องการที่จะขจัดความโลภถ้าเรามีอะไรเราก็ให้ไป ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรบาเพ็ญบา ร, รมีลำดับต่อไปคือศีลบา ร, รมีถ้าเราไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลกันละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดกระเวณีพูดปดงดเทสเสพสายาเมานี่เป็นบา ร, รมีที่เราสามารถบาเพ็ญกันได้ โดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองและสามารถบำเพ็ญได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในวัดก็บำเพ็ญศีลบารมีได้อยู่นอกวัดก็บำเพ็ญได้เพราะศีลไม่ได้อยู่ที่พระไ ม, ไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่ใจของเราถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลล้วเรารักษาไปเราก็ถือว่าเรากาลังเราก็กำลังรักษาศีล ถ้าเรารักษาได้คือไม่ละเมิดข้อห้ามทั้งห้าข้อก็แสดงว่าเรามีศีลอา น, นิสงของศีลก็คือจะทําให้เราได้เกิดในสุคติไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกถ้ารักษาศีลห้าได้อย่างมั่นคงแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไป เป็นเดรัจฉานพบชาติของเราจึงเป็นแต่ภพชาติที่ดีที่เรียกว่าสุขคติเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเกิดเป็นทรมเกิดเป็นพระอริยะบุคคลตามลำดับต่อไปนี่คืออนิสง์ของการบำเพ็ญศีลดารมีพวกเราที่เกิดมาเราจึงมีฐานะแตกต่างกันบางคนเกิดมาก็ยังรักษาศีลไม่ได้ บางคนก็รักษาศีลได้เฉพาะวันพระบางคนก็รักษาศีลได้ตลอดบางคนก็ต้องบางคนก็บวชได้บวชเป็นพระบวชเป็นชีได้นี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการบำเพ็ญศีลบารมีบารมีต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้าพัฒนา สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เกิดจากการบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆนี้เองพวกเราจึงไม่ควรมองข้ามการบำเพ็ญบา ร, รมีตามแต่ตามกำลังฐานะของเรานอกจากทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีแล้วบา ร, รมีลำดับต่อไปที่เราควรจะบำเพ็ญเรียกว่าเนกขมบา ร, รมี คือการละเว้นจากการหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดผพาญต่างๆเช่นดูหนังดูละครฟังเพลงเต้นรำหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้าและไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขชั่อขณะที่เราได้เสบได้สัมผัส แล้วก็ทำให้เรากลายเป็นคนติดความสุขแบบนี้ไปถ้าวันไหนไม่ได้เสพความสุขเหล่านี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาที่ได้เสพก็มีความสุขเวลาที่ไม่ได้เสพก็ทุลนทุรายมีความทุกข์ทรมานใจเราจึงควรที่จะพยายามออกจากกวามสุข คือจเจริญเนคข ม, มะบามีด้วยการบังเพนถือศีลแปดนอกจากศีลห้าแล้วเราก็ถือศีลเพิ่มอีกสามข้อศีลที่ศีลข้อที่สามที่เรียกว่ากาเมก็เปลี่ยนเป็นอภัมมจจริยาคือจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราแล้วก็จะละเว้นจากการรับประทานอาหาร หลังจากเที่มไหวไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงเหล่านี้เราไม่แสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่หาความสุขจากการแต่งกายแต่งหน้าทาปากด้วยเครื่องสาอางเครื่องหอมต่างๆและนอนก็ให้นอนอยู่กับบนพื้น แข็งปูเสือ่อไม่ต้องนอนบนฟูกใหญ่หญๆโตๆการหลับนอนหลับเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พอร่างกายเวลาห้าง่วงมากๆแล้วไม่ว่าจะนอนบนฟูกหรือนอนบนพื้นแข็งๆก็นอนหลับได้เหมือนกันไม่มีปัญหามีปัญหาตรงที่หลังจากที่นอนหลับพอเพียงแล้วถ้าตื่นขึ้นมา ถ้านอนบนพื้นแข็งๆก็อยากไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนทุกหนะนะาๆทั้งๆที่ร่างกายก็ได้รับการพักผ่อนพอเพียงแล้วแต่ใจก็ยังอยากจะนอนต่อยังอยากจะหาความสุขจากการนอนหลับต่อก็นอนไปซึ่งไ ม, ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะร่างกายก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการหลับนอนเกินความจําเป็นเสียเวลาไปทําประโยชน์อย่างอื่น ถ้าเป็นคนทำงานทําการก็จะไปทำงานไม่ทันถ้าเป็นคนที่จะต้องมาทำบุญกัก บ, บาทที่วัดก็จะมาไม่ได้เพราะต้องนอนหลับหลับนอนเราจึงพยายามเาจเริญเนคขมะบรารมีเพื่อเราจะได้พบกับความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสันติความสงบของจิตใจ ความสงบของจิตใจจะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเราปล่อยวางการแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปวดฉัพะแล้วหันมาหาความสุขทางความทางความสงบของจิตใจด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิกําหนดดูจิตใจกําหนดให้จิตใจไม่ให้ไปคิดอะไรให้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ที่จะเป็นเครื่องดึงใจไว้กล่อมใจให้สงบเช่นการสวดมนต์นี้ก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งหรือการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็เป็นการกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบขอให้เราทําด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติแล้วไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะสงบตัวลงเวลาขณะที่จิตสงบตัวลงนั้นเราจะพบกับความสุข ที่เราไม่เคยพบมาก่อนจิตจะมีความสุขความอิ่มความว่างความพอดีมีความพออยู่ในใจไม่ต้องการอะไรในขณะนั้นไม่ได้มีความคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิน้นอยู่ตามลำพังเหมือนกับโลกนี้ไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี้เลยไม่อยู่ในใจเลยมีแต่ความว่างความสงบ ความสุขเท่านั้นเองดีถ้าลองได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วจะสามารถจัดความสุขชนิดอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้มาจากการได้ยินได้ฟังได้ดูได้ลดิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายกับจิตใจที่ได้สัมผัสกับความสงบของจิตใจ นี่เรียกว่าการบำเพ็ญเนคข ม, มะบามีคนที่ชอบเข้าวัดถือศีลแปดคนที่ชอบนั่งสมาธิคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์แสดงว่าได้เคยบำเพ็ญเนคข ม, มะบามีมาในอดีตเป็นคนที่ไม่ชอบออกไปเที่ยวไปหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานคนที่ยังต้องดืง่มยังต้องรับประทาน ยังต้องไปดูหนังฟังเพลงยังต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ยังต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยสวยงามต้องแต่งหน้าทาปากทาผมดึงเนื้อดึงหนังให้แต่งให้ตึงแสดงว่ายังไม่เคยได้บาเพ็ญเนคขมะบารมียังมีความหลงติดอยู่กับความสวยงามทางรูปเสียงกลิ่นรสผรทัพภะ คนพวกนี้จะมีความทุกข์มากเพราะจะต้องต่อสู้กับความความไม่เที่ยงนั่นเองเพราะร่างกายนั้นจะไม่สวยไม่สาวไม่แต่งไม่ตึงอยู่ตลอดเวลาเมื่อวันเวลาผ่านไปร่างกายก็ต้องแก่ลงไปหนังก็ต้องเหี่ยวยน่นผมก็ต้องขาวลงไปเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่เมื่อยังมีความหลง ยึดติดอยู่กับความสวยความงามของร่างกายอยู่ก็จะต้องหาวิธีต่างๆไปทำสัญญกรรมดึงหน้าแต่งหน้าทาอะไรต่างๆเพื่อที่จะรักษาความสวยความงามไว้แต่ จ, จะรักษาได้ก็ไม่นานทำได้ไม่กี่ปีมันก็มันก็เหี่ยวลงไปเรื่อยๆตามลำดับของมันจนในที่สุดมันก็จะกลายเป็นคนแก่ คนหนังเหี่ยวหนังย่นไปถ้าไม่ได้บำเพ็ญเนคขมะบารมีก็จะมีความทุกข์มากเพราะไม่สามารถหาความสุขทางลูกเสียงกลิ่นรสทศกัณฐ์ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่คนที่ได้บำเพ็ญเนคขมะบารมีรู้จักไหว้พระสวนมนต์นั่งสมาธิรู้จักรักษาศีนแต่จะไม่ค่อยมีความ ทุกความบุ่นวายใจกับการที่ไม่ได้ไปหาความสุขจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสผลธะพัและจะเป็นเหตุที่จะนำพาให้ไปสู่ความเจริญในลำดับต่อไปคือการบำเพ็ญปัญญาบารมีเพราะเมื่อจิตใจมีความสงบแล้วจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่มีเหตุมีผลมองอะไรต่างๆ ก็จะมองด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้มองด้วยอารมณ์จิตใจที่ไม่สงบนั้นจะถูกความหลงครอบงำอยู่จะมองสิ่งต่างๆไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน มองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราถ้ามองอย่างนั้นแล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์ตามมาเพราะเมื่อสิ่งที่เราคิดว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่กับเราเสียแล้วเช่นคนที่เราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดแต่เขาจากเราไปเสียก่อนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตายไปก็เป็นการจากกันแบบหนึ่งหรือทิ้งเราไปก็เป็นการจากไปอีกแบบหนึ่งเป็นเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราไม่ช้าก็เร็วถ้าเราหลงยึดติดว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอดพอถึงเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรา มีมีเหตุมีผลมองทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักความจริงตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราก็จะรู้ว่าคนเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาไม่มีใครอยู่เหนือสภาพเหล่านี้ได้จะต้องตกอยู่ใน กฎของความไม่เที่ยงด้วยกันฉงนั้นจิตใจที่มีความสงบจะเห็นความจริงได้ชัดเจนเพราะไม่ถูกความหลงครอบงำอยู่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนที่ไม่ไม่ถูกเอาผ้ามาปิดตาของตนไว้นั่นเองคนที่ไม่มีผ้าปิดตากับคนที่มีผ้าปิดตา จะมองเห็นไม่เหมือนกันคนที่ไม่มีผ้าปิดตาจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างในขณะนี้เรานั่งอยู่ในศาลานี้เราเห็นทุกอย่างตามที่ตาเราสามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเราถูกเอาผ้ามาปิดตาไว้เราก็จะมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเท่านั้นความหลงก็เป็นเหมือนกับผ้าที่ปิดตาเราเพียงแต่ความหลงนี่มันไปปิดใจเรา ทำให้เราไม่เห็นด้วยเหตุด้วยผลไม่เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านเห็นกันท่านเป็นคนตาดีท่านไม่มีความหลงท่านได้กำจัดความหลงหมดสิ้นไปจากใจจึงทำให้ท่านเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายเห็นความทุกข์ในสิ่ ง, งตา่างๆที่เราหลงคิดว่าเป็นความสุข เห็นความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามีตัวตนคือร่างกายของเราพวกเราทุกคนนี่มองยังไงก็ยังเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอยู่แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั้นมองไม่มองไม่เห็นว่าร่างกายนี้มีตัวตนอยู่เลยเห็นเป็นเพียงแต่อาการสามสิบสองเท่านั้นเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจตับปอดไตลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีเท่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนแต่เราถูกความหลงหลอกให้เรายึดติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นของเราพอร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากสาวมาเป็นแก่จากหนุ่มมาเป็นแก่เราก็เสีย อ, อกเสียใจเราก็ รับกับสภาพไม่ได้เมื่อถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รับกับสภาพมนไม่ได้เมื่อถึงเวลาตายเราก็เกิดความหวาดกลัวเพราะว่าเราไปหลงคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายนี้แต่คนที่คิดว่าเรานี้คือใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนั้นากับกายเป็นคนละส่วนกัน นี่เป็นสิ่งที่คนที่ยังถูกความหลงครอบงำอยู่จะมองไม่เห็นแต่ถ้าได้ทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วเวลาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงถึงความทุกข์ถึงความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆทั้งหลายก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะไม่มีอะไรมาปิดบังแล้วนั่นเอง ไม่มีความหลงมาหลอกให้คิดว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดสิ่งนั้นจะให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราความคิดเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในจิตในใจนี่เรียกว่าเป็นการบาเพ็ญปัญญาบามีถ้าเราหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะเกิดปัญญาบามีขึ้นมาแลวเมื่อเรานาเอาไปปฏิบัติ คือทำจิตใจให้สงบแล้วพิจารณาอีกขั้นหนึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตอนนี้เราได้ยินได้ฟังเราก็เกิดปัญญาในระดับหนึ่งคือเราเริ่มรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ากับเรานี้เห็นไม่เหมือนกันเราเห็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นอย่า ง, งพระพุทธเจ้าเห็นเป็นกรงจักรพวกเราเห็นเป็นดอกบัวนี่คือสิ่งที่เราเห็นกับกับพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วเมื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงส่วนที่สิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่เป็นความจริงเราก็ต้องมาเปิดใจของเราเราต้องมาทำลายความหลงที่มีอยู่ในใจของเราความหลงจะถูกทำลายได้ก็ต้องอาศัยการบาเพ็ญนิยมะรรมบารมี คือการทำจิตใจให้สงบนั่นเองเมื่อจิตใจสงบแล้วเราพิจารณาดูร่างกายของเราเราก็จะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความทุกข์อยู่ในอยู่ในตัวของมันทั้งนั้น คือถ้าเราไปยุ่เกี่ยวกับมันแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นถ้าเราไปมีสามีมีภรรยาเราก็จะต้องไปมีความทุกข์กับสามีไปทุกข์กับภรรยาถ้ามีลูกมีหลานก็ต้องไปทุกข์กับลูกกับหลานถ้ามีสมบัติต่างๆเราก็ต้องไปทุกข์กับสมบัติต่างๆเพราะความผูกมัดความยึดติดนั่นเอง เราอยากพอเรามีอะไรเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดเราอยากจะให้มันดีไปตลอดแต่มันไม่สามารถเป็นไปตามความปรารถนาของเราได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองมันดีวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไม่ดีได้มันอยู่กับเราวันนี้พรุ่งนี้มันก็จากเราไปได้นี่เป็นความจริง ที่พวกเราจะสามารถเห็นได้ถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบการได้ยินได้ฟังในวันนี้ยังไม่เห็นเพียงแต่เหมือนกับคนบอกว่ามีสถานที่ที่ใด ท, ที่หนึ่งอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มีสิ่งนั้ น, ส, น, นสิ่งนั้นตั้งอยู่ในสถานที่นั้นแต่คนที่ได้ยินได้ฟังจากการบอกเล่านั้นยังไม่ได้เห็นกับตาของตอนเององ จึงยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นจริงเทศอย่างไรจนกว่าจะได้ไปถึงสถานที่นั้นแล้วถึงจะเห็นได้กับตาของตนเองว่าเป็นอย่างไรเทศจริงอย่างไรจะเห็นได้ชัดฉันใดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราเช่นสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สงบแล้วพิจารณาตามเราจะเห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหรือถ้ามันไม่เป็นความจริงเราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นความจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เหมือนกับเราได้ไปสถานที่ที่คนบอกเล่าให้เราฟัง เมื่อเราไปถึงที่นั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังนั้นเท็จจริงอย่างไรเป็นตามที่เขาพูดหรือไม่แต่ถ้าเราไม่ไปถึงสถานที่นั้นเราก็จะไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็เช่นเดียวกันเราจะไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จนกว่าเราจะนําเอาไปพิสูจน์ด้วยการทําจิตใจของเราให้สงบแล้วก็พิจารณาดู ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเมื่อเราได้ทําอย่างนั้นแล้วเราก็จะเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะเป็นคนฉลาดขึ้นมาเราจะไม่หลงงม ง, งายจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆคนที่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนั้นไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดถึงแม้จะจบเป็นัญญาเอกมาแต่ถ้ายังต้องทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดในทางพระพุทธศาสนา ยังเป็นคนโง่อยู่แต่คนที่ไม่ได้จบปริญญาไม่ได้ไปโรงเรียนแต่กลับไม่มีความทุกข์กับรายเลยคนนั้นถือว่าเป็นคนฉลาดทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ถึงแม้ไม่มีความรู้แต่ก็เอาตัวรอดได้คือไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแต่คนที่มีความรู้ท่วมหัวแล้วยังต้องไปทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถือว่ายังเอาตัวไม่รอด ยังไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาหาความรู้เราควรจะหาศึกษาหาวิชาความรู้ที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์จะดีกว่าเรียนอะไรก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีเท่ากับเรียนรู้ทางด้านธรรมะรู้ธรรมะแล้วทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ถ้ารู้อย่างอื่นกับทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นไปซสอีก เพราะยิ่งรู้แล้วก็ยิ่งหลงยิ่งคิดว่าตัวเองฉลาดยิ่งคิดว่าตัวเองวิเศษเวลาใครเขาตำหนิว่าเราไม่วิเศษก็เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาคนที่ฉลาดจริงๆแล้วต่อให้ใครเขาว่าเราอย่างไรก็จะไม่รู้สึกอย่างไรทั้งสิน้นจะด่าว่าเราเป็นสัตว์นนชนิดนั้นสัตว์ชนิดนี้ก็จะไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือฐานะของคนฉลาดจะเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าคนโง่เขาเบาปัญญาแล้วเวลาใครเขาเรียกเราว่าสุนัรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็โกดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแสดงว่าเราโง่เรายังเป็นเหมือนจิ้งหรีดอยู่เวลาเขาเอาขนมาปั่นที่ศรีรษะก็ร้องส่งเสียงร้องดังขึ้นมาแทนที่จะตั้งอยู่ในความสงบไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวกับการพูดการ ก่าวหาของผู้อื่นใจของเรากับรุ่มร้อนขึ้นมาเป็นบ้าขึ้นมาเพราะเราไม่ฉลาดนั่นเองถ้าเราฉลาดจริงแล้วเราจะไม่ไม่รู้สึกอะไรกับความพูดของคนความพูดของคนก็เป็นลมปากเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงความจริงในตัวของเราได้ถ้าเราไม่ดีต่อให้คนเขามายกย่องสรรเสริญแล้วว่าเราวิเศษว่าเราดีขนาดไหน เราก็ไม่ได้ดีไม่ได้วิเศษไปตามคำยกย่อ ง, องสรรเสริญของเขาถ้าเราดีแล้วมีคนมา ด, ด่าว่าเราอย่างไรว่าเราเลวอย่างไรเราก็ไม่ได้เลวตามอย่างที่เขาว่าเราแล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรนี่คือความฉลาดเป็นอย่างนี้ความฉลาดคือรู้ว่าตนเป็นอย่างไรรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรไม่หลงไปตามคารมณ์คำพูดของคนเขาพูดกัน นี่คือปัญญาทางศาสนาสอนให้เราสามารถตั้งอยู่ในความสงบไม่หวั่นไหวกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมเสียการสูญเสียก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะรู้อยู่ด้วยปัญญาว่ามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามีความเจริญย่อมมีความเสือ่อม เป็นของคู่กันเหมือนกับพวกเราไม่เดือดร้อนกับความมืดกับความแจ้งเช่นตอนนี้เป็นกลางวันเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเวลามันมืดเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามีมืดมีสว่างเป็นของคู่กันฉนันใดคนที่มีปัญญาทางธรรมะก็จะเห็นว่ามีการเกิดก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดา ไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวกับเรื่องราวเหล่านี้นี่เรียกว่าเป็นคนฉลาดที่แท้จริงเพราะสามารถยกตนให้อยู่เหนือความทุกข์ได้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับตนแม้กระทั่งความตายก็จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่มีปัญญาทางธรรมะได้แต่คนที่มีความรู้ทางโลกไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาไหนก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเผชิญกับความตายแล้วจะต้องหวั่นไหวด้วยกันทุกคนเพราะความรู้ทางโลกนั้นไม่ใช่เป็นปัญญาที่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจบปริญญาเอกมาแต่ก็ไม่สามารถรักษาจิตใจของตนให้อยู่เหนือความทุกข์ได้ยังถูกความทุกข์รุมเร้ายังถูกความลความทุกข์เบียดเบียนอยู่ แต่คนที่มีปัญญาทางธรรมะแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันาตสาวกทั้งหลายจิตใจของท่านนั้นอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิน้นอะไรจะเกิดก็ไม่หวั่นไหวอะไรจะดับก็ไม่หวั่นไหวนี่คือปัญญาทางธรรมะที่จะทำให้เราเป็นคนฉลาดอย่างแท้จริง เราจะเริ่มต้นได้ปัญญานี้ก็คือด้วยจากการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆห ร, อรืออ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วนาเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปพิพพจนารณาอยู่เรื่อยๆเยตือนสติสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดับเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้งพัดพากจากกัน ถ้าจำได้จน ข, ขึ้นใจแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเองนี่คือปัญญาที่เราสามารถสร้างให้กับตัวเราได้แล้วถ้าเราสามารถทําจิตใจของเราให้สงบได้เราจะสามารถปล่อยวางได้อย่างแท้จริงอย่างเด็ดขาดคืออะไรจะเกิดขึ้น กับใครก็ตามหรือกับเราก็ตามเราจะไม่เดือดร้อนเลยนี่คืออนิสง์ของการบำเพ็ญปัญญาบารามีที่พวกเราได้มาบำเพ็ญกันอย่างสม่ำเสมอเราจึงควรที่จะบำเพ็ญต่อไปให้ความสําคัญต่อการบำเพ็ญบุญบารมียิ่งกว่าสิ่งอื่นๆในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริง มีแต่บุญบารมีนี้เท่านั้นแหละที่จะช่วยเราให้เราได้ไปสู่จุดที่ประสบเลิศโลกตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงอยู่ในกำ ม, มือของเราอยู่ในความสามารถของเราและไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองจึงขอให้เรามีความฉันทะ คือความยินดีในการบาเพ็ญบุญบารมีให้มีวิริยะในความส s หาภาคเพียรให้มีใจจดจ่อกับการบาเพ็ญบุญบารมีเมื่อถึงเวลามีเวลาว่างอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องคิดถึงการบาเพ็ญบุญบารมีก่อนจะอยู่ที่ไหนก็บาเพ็ญได้ไม่ได้มาวัดก็บาเพ็ญได้อยู่ที่บ้านก็เปิด เปิดธรรมะฟังได้เปิดหนังสืออ่านได้ทำทานบา ร, รมีได้เห็นใครเดือดร้อนมีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้ก็แบ่งปันให้กับเขาไปศีลก็รักษาได้ตลอดเวลาพูดจากับใครก็อย่าไปพูดโกหกเท่านั้นเองเราก็เราก็ถือว่าเราได้บำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆแล้วแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานับตั้งแต่วันนี้ไป จะมีแต่สิ่งที่ดีที่งามรอเราอยู่สิ่งที่เลวร้ายต่างๆก็จะถอยห่างไปจากเราไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขตลอดเวลาอันเป็นอ น, นิสงส์แห่งการบาเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆนี้เองจึงขอฝากเรื่องราวการบาเพ็ญบุญบา ร, รมีนี้ให้ท่านได้นาไป พิจิตรเจรนาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณกุศลขอบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเถอด